เขาจึงได้เสวยทุกในนรกเป็นต้นหลายพันปีนะก็มีในจําได้ไหมว่าในวิชาที่สองที่พระองค์ตรัสรู้คือจุตูปปาตยานมีอยู่คำหนึ่งใช่ไหมติเตียนพ่าเรียเจ้าตรงนั้นการว่าร้ายพาเรียเจ้าติเตียนพ่าเรียเจ้าเป็นเหตุให้ไปสู่บายทยุคติวินิบาตได้ในอัตภาพครั้งสุดท้ายนี้ ก็เราอ่ะในตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในภพดุสิตพวกดีรธีปรากฏขึ้นก่อ น, นขนาดว่ายังพระองค์ยังไม่ได้มาบรรลุเลยใช่ไหมคนโปรยลทัทธิผิดๆไว้เต็มไปหมดเลยเที่ยวแสดงทิฏฐิ62หลอกลวงประชาชนอยู่นั้นจึงได้จุติจากดุสิตบุรีบังเกิดในสกุลสกยาราชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลาดับพวกเดรธีเสื่อมลาบสการะเสมือนหิงห้อย ในตอนพระอาทิตย์ขึ้นจึงผู่อาคาตในพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ยวไปอยู่นะเดร์ถีเนี่ยคิดวางแผนจะหาหาเรื่องพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าลาบสการะของเขาเนี่ยร่อยรอลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระอาหารหันเนี่ยเขาก็ลาบสการะเยอะแยะมากมายพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปับ๊บแล้วก็แสดงธรรมประชาชนได้บรรลุอริยสัจกันมาก แล้วก็เขาก็เลือกทำกับเนื้อ น, นาบุญที่ดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทีนี้คนอื่นๆก็ร้อยหรอไปลาบสการะเนี่ยหายไปก็เลยผูกอาคาตพยาบาทวางแผนหาเรื่องอยู่อย่างเดียวทีนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในสมัยนั้ น, น, นเศรษฐีในกรุงราชเครกผูกตาขายในแม่น้ำคงคาแล้วเล่นอยู่นะคนคนมีฐานะหน่อยเวลาเขาจะลงเล่นน้ำเนี่ยเขาจะคึงตาขายก่อน ไม่ให้ปลาไม่ให้จระเข้ไม่ให้เต่าที่ที่มีพิษร้ายเนี่ยเข้ามาทําอันตรายได้แล้วจะเล่นน้ําทีนี้ก็ได้เห็นปุ่มจันมาเอ่อเห็นปุ่มไม้จันทรแดงจึงคิดว่าในเรือนของเราเนี่ยมีไม้จันทมากมายจะให้เอาปุ่มไม้จันทแดงเนี่ยเข้าเครื่องเปลึงแล้วให้ช่างเปลึงเนี่ยคลึงบาดปุ่มไม้จันทแดงนั้นแล้วก็แขวนที่ไม้ไผ่ต่อ ต, อตอกันหลายๆลํา ให้ตีกลองเปล่าร้องว่าผู้ใดมาถือเอาบาดใบนี้ได้ด้วยฤทธิ์เราจกเป็นผู้จงรักภักดีต่อผู้นั้นเอาบาเนี่แขวนไว้บนอากาศเลยถ้าใครห่อมาเอาบาทนี้ลงไปได้นะจะยอมรับจะนับถือคนนั้นมากครั้งนั้นพวกเดรธีก็ปรึกษากันว่าบาดนี้พวกเราชิบหายแล้วบาดนี้พวกเราชิบหายแล้วนิครนหน้าตบุตรก็กล่าวกับบริษัทของตนอย่างนี้ว่าเราจะไปใกล้ใไม่ไผ่ ทำอาการดังว่าจะเหาะขึ้นในอากาศพวกท่านจงจับบาของเราแล้วห้ามว่าท่านอย่ากระทำริดเพราะอาศัยบา ท, ที่ทําด้วยไม้เผาผีเลยว่างั้นเบลธีเหล่านั้นก็พากันไปอย่างนั้นแล้วได้กระทําเหมือนอย่างนั้นนะก็คือเขาวางแผนนะให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปขอก่อนทันเททีโอท่านนิครณเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านจงให้บาท่ทานนิครนเธอะโอ้ยอยากได้ก็เหาะมาเอาสิวันที่หนึ่งสงสามสี่ทีนี่จนถึงวันที่เจ็ ทีนี้ก็วางแผนให้ลูกศิษย์ไว้เลยบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะทำท่าจะเหาะเนี่ยแกรีบจับมือกดไว้นะทีนี้ก็ไปทำอย่างนั้นด้อยกันแต่ทีแตท่ตทีก็ไม่ให้อยู่นั่นแหละทีนี้คนก็เริ่มประกาศตัวเอ๊สงสัยชมพูทวีจะว่างเว้นจากพระอารหันต์จริงๆแล้วมั้งเนี่ยคนนี่เริ่ ม, มเอ๊ในยุคนั้นไม่มีพระอารหันต์ที่เหลือนี่หลอกลวงว่าเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเลย ทั้งนั้นเี่เรื่องก็ได้ยินถึงพระปินโดรภารัธวาชากับท่านพระโมคคัลลานะทีนี้ท่านก็ยืนอยู่บนยอดภูเขาหินประมาณสามขาวุฒกําลังห่มจีวรเพื่อจะเข้าไปบินทบาทได้ยินเสียงโกลาห น, นั้นบรรดาพระเถระทั้งสองนั้นท่านพระโมคคัลลานะได้กล่าวกับท่านพระปินโดรภารัธวาชาว่าท่านจงเหาะไปเอาบาดนั้นพระบินโดระวาระปินโดรภา ร, ร, รทวาชานั้นได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเท่านั้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเลิศของท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านนั่นแหละจงถือเอามาเงนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพระโมกขาลานะบังคับว่าท่านนั่นแหละผมสั่งแล้วท่านจงถือเอาเถิดนะบอกท่านไปเอาอะทีนี้ท่านพระปินโดระพาราธวาชาก็เลยทำภูเขาหินประมาณสามคาที่ตนยืนอยู่ให้ติดที่พื้นท้าแล้วก็ให้ปกคลุม นครราชคสียทั้งสิ้นนะก็คือห่อไปทั้งที่มีเท้ามีก้อนหินนี่แหละลอยติดไปด้วยทีนี้เมืองราชสีมาก็เหมือนกับฝาปิดหม้อข้าวเชนั้นเมืองกมีหินก้อนโตอยู่ข้างบนนั่นนะเชียงใหม่เนี่ยดอยสุเทพลอยมาจะว่าไงทีนี้คราวนั้นประชาชนชาวนครแลเห็นพระเทระเนี่ยเหมือนได้แดงที่ร้อยในภูเขาแก้วพลึก ก็มองเห็นพระเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ริบๆว่างก็เลยพากันตะโกนว่าท่านภาระธวัชชาผู้เจริญขอท่านจงคุ้มครองกับผมด้วยต่างก็กลัวแล้วก็ได้เอากระด้งเป็นต้นเนี่ยกั้นปีศาไว้นะใครมีกระดง้งเอากระด้งมารองเลยโอ้เห็นก้อนเบื่มเอากระด้งวันเดียวนะทีนั้นพระเถระก็ได้ปล่อยภูเขานั้นไปลงไว้ในที่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ไปด้วยริถือเอาบาดนั้นมาครั้งนั้น ช, ชนชาวพระนครก็ได้กระทําความโกลาหนเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวันารามได้ทรงฟังเสียงนั้นจึงได้ตรัสถามพระอ น, นุลว่านั่นเสียงอะไรท่านพระอ น, นุลก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพระภารัวราชถือเอาบาดมาได้ชนชาวนาครจึงยินดีได้กระทําเสียงหู่ร้องนะก็คือพอไปหอกเอาบาดเสร็จแล้วเศรษฐีก็บอกนิมนต์ลงมาเถอะแล้วก็นิมนต์ให้ฉันแล้วก็ใส่อาหารเนี่ยอย่างดีมาทีนี้ขณะที่ท่านถือบาท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 สั่งให้เอาบาดนั้นมาทุบแล้วให้บทให้ละเอียดสําหรับเป็นยาหยอดตาแล้วทรงให้แก่พิสูุทั้งหลายก็แหละครั้นทรงให้แล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุไม่ควรกระทําการแสดงฤทธิพิกษุใดทําภิกษุนั้นต้องอับัตดทุกกฎคือฤทธิ์ที่แสดงแบบแคล้ายๆเหาะเหินพวกนี้ไม่ได้สักอย่างได้อธิษฐานได้คือฤทธิ์มีการแสดงอย่างการแผลงฤทธิขึ้นมาเนี่ยแสดงไม่ได้แต่ถ้าอธิษฐานเช่นอธิษฐานให้ไฟลุกเป็นต้นเนี่ย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 จึงพากันเป็นหมวดหมู่ทำโกลาหนอยู่ในที่นั้นๆครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงนั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไหว้แล้วประทับนั่งนะส่วนสุดข้างหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณพระองค์ตรัสรู้ได้เจ็ดพรนษาพระพริราชาพิมพิสารก็ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเล ร, รถีเป่าร้องว่าจะกระทำอิทธิปาติหาร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษแม้อัตมาภาพก็จะทําพระราชาก็ตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติศิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายไว้แล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะเรื่องการแสดงฤทธิ์ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบาพิษอัตมาภาพจะถามเฉพาะพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงตั้งสินไหมสําหรับผู้กินผลมะม่วงเป็นต้นในอุทยานของพระองค์ว่าศินไหมมีประมาณเท่านี้ แม้สําหรับพระองค์ก็ทรงตั้งรวมเข้าไว้ด้วยหรือนะในส่วนนี้ถ้าหากว่าใครมากินนะปรับถ้าพระองค์เวยเนี่ยถูกปรับด้วยไหมพระราชาทูลว่าไม่มีศินไหมสําหรับข้าพระองค์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นมหาปิษฏิสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วย่อมไม่มีสําหรับอาตมาภาค พ, พระราชาตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญอิทธิปาฏิหารจากมีที่ไหนพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าที่โคนต้นคันดามะพฤุกใกล้เมืองสาวัตถีมหาบพิษพระราชาตรัสว่าดีละ่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจักคอยดูปาติหารนั้นลําดับนั้นพวกเดรธีได้ฟังว่าในยะว่าปาติหารจะมีที่โคนต้นคันดามะพฤุกจึงได้สั่งให้ตัดต้นมะม่วงรอบๆอบพระนครชาวพระนครทั้งหลายจึงพาการผูกมัดเตียงซ้อนๆกันและหอคอยเป็นต้นในสถานที่อันเป็นลานใหญ่ ชาวชมพูทวีปเป็นกลุ่มๆได้ยืนแผ่ขยายไปตลอด12โยธเฉพาะในทิศตะวันออกแม้ในทิ่ที่เหลือก็ประชุมกันอยู่โดยอาการอันสมควรแก่สถานที่นั้นก็บอกว่าที่ตรงนี้ที่ประชาชนเนี่ยมามาอยู่มากแล้วก็เป็นที่ที่พระ อ, องค์แสดงธรรมและบรรลุมากมายมห า, าศาลฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อการเวลาถึงเข้าแล้วในวันเพ็ญเดือนแก็ทรงทำกิจที่ควรทา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 แต่เมื่อ น, น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าก็จะเกิดมีนะมกรรมสักการะนี้เกิดขึ้นปั๊บเลยถ้าถวายพระพุทธเจ้านะผลเนี่ยจะต่างกันมากถ้าถวายในหลวงปั๊บจะได้บน์ไอจะได้ค่าจ้างก็2องสรบาทนะเรียกว่าหรือพันสองพัอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบัติในโลกนี้โลกหน้าจะไปไหนคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจน เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอัครทัคคินยะบุคคลของโลกว่างั้นก็บอกว่าเอาพระโสดาบันเนี่ยมันนั่งเลยครึ่งจั ก, กรวาล น, นะแล้วทําบุญกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวโดยปาฏิบุครกลิขทานนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวได้ผลมากกว่าเรียงพระโสดาบันในครึ่งโลกนะครึ่งจั ก, กรวาลเลยทําไปห่างกันมากกว่านั้นเลย ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับมะม่วงนั้นแล้วก็ดํารัดสั่งพระอานนท์เถระว่าเธอจงคั้นผลมะม่วงทําให้เป็นน้ําปานะน้ำปานะแนะปล น, น, น้ําดื่มนั่นแหละก็คือไปทําเป็นน้ําดื่มซะพระเถระก็ได้กระทําตามพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดื่มน้ําผลมะม่วงแล้ว <c oughs> <c oughs> ประทานเม็ดมะม่วงแก่คนเฝ้าอุทยานและตรัสว่าจงเพาะเมล็ดมะม่วงนี้นายอุทยานบาล จึงคุยสายแล้วก็เพราะมาเมล็ดมะม่วงนั้นพระอานอนท์เทระก็เอาคนโทรตักน้ำรขดขณะนั้นหนอมมะม่วงก็งอกขึ้นมาเมื่อมหาชนอยู่เห็นอยู่นั่นแหละก็ปรากฏเต็มไปด้วยกิ่งคาคบดอกผลใบอ่อนชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นก็เคี้ยวกินผลมะม่วงที่หล่นลงมาไม่อาจให้หมดสิ้นได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรัตนะจงกรมบนยอดมหาเมรุในจักรวาลนี้ จากจากาักรวาลที่ตะวันออกจนกระทั่งถึงจกักรวาลที่ตะวันตกเมื่อจะทรงยังบริษัทมิใช่น้อยให้บลูสีหนนาทจึงทรงกระทำอิทธินะกระทามหาอิทธิปาติหารโดยในยะดังกล่าวแล้วในอัตกธถาธรรมบทถ้าหากว่าผู้ใดอยากจะอ่านเรื่องยมกปาติหารไปดูได้ในเล่มเล่ม68แนะฉบับ91เล่มเล่ม68อยู่ในยมะกะปาติหาร ยานนะในยาน73สุบุตะในในหมวดว่าด้วยยานในเล่ม68ตรงนั้นเนี่ยจะกล่าวถึงอิทธิป ะ, ะยมกปาฏิหารซึ่งปาฏิหารแบบนี้พระผู้มีพระภาคแสดงได้พระองค์เดียวไม่มีสาวกอื่นๆแสดงได้ก็คือท่อน้ำกับท่อไฟเนี่ยไหลออกมาจากตาไหลสลับกันนะจากตาจากหูจากคุ้มขนจากกายเบื้องบนเบื้อ ง, งต่ำเนี่ยเรียกว่าสตรัสมีเนี่ยวิจิตพิสดาร ในขณะที่แสดงอิทธิฤทธิ์อยู่นั้นเนรมิตพระพุทธเจ้าขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วก็แสดงธรรมสนทนาธรรมองค์นี้ถามองค์นั้นตอบองค์นั้นถามองค์นี้ตอบนะถ้าหากว่ารายละเอียดเกี่ยวกับคําถามคําตอบก็คือในในคัมภีร์นิเทศอนะในคัมภีร์มหานิเทศจะมีกล่าวว่าพุทธพระ พ, พุทธเนรมิตตรัสถามว่าพระ อ, องค์ตอบว่านั่นแหะนะก็คือจากเหตุการณ์อนั้นเะนะี่ยก็พระธรรมนั้นนะมีรายละเอียดเลือกซึ่งมาก ลึกซึ้งจนว่าทีแรกๆเลยนะอ่านก็ยังไม่เข้าใจเลยเนาะท่านพูดอะไรอนี <c> ้ <oughs> อ่านนี่ยังเข้าใจยากเลยอยอมรับว่าในสูตรนั้นลึกซึ้งมากนะขนาดยังอ่านยังเข้าใจยากเลยว่าจะกลับไปอ่านใหม่อยู่เหมือนกันยังไม่ได้อ่านอีกเลย <c oughs> อะไรเพราะนนเนื้อหาค่อนข้างลึกซึ้งมากระหว่างพระพุทธเนระมิตรถามพระพุทธเจ้าองค์จริง <c oughs> ทีนี้ในเวลาเสร็จปาติหารก็เสด็จขึ้ือนยังพิภพดาวดิน โดยพุทธจิยาที่พระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงประพฤติแล้วทรงจําพรรษาในภพดาวเดืงนั้นทรงแสดงพระพิธรรมติดต่อกันตลอดสมเดือนทรงทำเทวดามิใช่น้อยมีพระพุทธมารดาเป็นประธานให้บรรลุพระโสดาปติมักออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากเทวโลกอันหมู่เทวดาและพรหมมิใช่น้อยห้อมล้อมเสด็จลงยังประตูเมืองสังกัสะได้ทรงทําการอนุเคราะห์ชาวโลกแล้ว ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีลาบสการะท่วมทน้นท่ามกลางชมพูชวีปประดุดแม่น้ำห้าสายมีแม่น้ํำคงคาจิรวดียมุนาสรภูและแม่น้ํามห AH ีเป็นต้นนะคือลาบสการะเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ า, านะก็บอกว่ากวนเนี่ยมาต่อๆ่อออกันเนี่ยหลายสิบเป็นเป็นหลายๆกิโลเมตรอะคือมาจอดเมื่อไร่จะได้มีโอกาสทําบุญกับพระพุทธเจ้ า, าสักทีหนึ่งอ่ะนะบางคนเนี่ยโห เดินทางมาตั้งหลา ย, ลายเดือนนะเป็นพันๆกิโลเมตรอ่ะไปเพื่อที่จะถวายทานก็เข้าคิวยังไม่ได้สักทีครั้งนั้นพวกเดรัจถีก็เสื่อมลาภสการะเป็นทุกสีใจคอตกนั่งก้มหน้าอยู่นะถ้าเสื่อมลาภสการะจะทํำยังไงดีไอผู้ศาสนาก็ไม่นับถือนะยังนับถือศาสนาของตัวเองอยู่แต่ว่าลาภสการะไม่เกิดนะถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐินะ ฟังอย่างนี้จะได้เจริญการุณามากๆก่อนไงนะว่าในเวลานั้นอุบาสิกาของพวกเดรธีเหล่านั้นชื่อว่านางจินจัมานวิกานางเอกมาแล้วถึงความเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยรูปโฉมนะเห็นพวกเดรธีเหล่านั้นนั่งอยู่อย่างนั้นจึงถามว่าท่านผู้เจริญพราอเฮไรท่านทั้งหลายจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจยอยู่อย่างนี้ไปเห็นหน้าส ม, มณะของตัวเองนะอูยหน้าดาคร่าเครียดกันแต่ละคนเนี่ยงย ไปไหว้ก็เฉยนะเหมือนกับคนตายนั่งได้นงี้ีนี้เดียรทีก็ตอบว่าน้องหญิงก็เพราะเหตุไรเล่าเธอจึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนางจินจัมมานวิกาก็ถามว่ามีเหตุอะไรหรือท่านผู้เจริญเดียรทีกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงจำเดิมแต่การที่พระสมณะโคดมเนี่ยเกิดขึ้นมาพวกเราเสื่อมลาภสการะหมด ชาวพระนครไม่สําคัญอะไรอะไรพวกเรานางจินจะมานวิกาถามว่าในเรื่องนี้ดิฉันควรจะทําอย่างไรเดร์ธีตอบว่าเธอควรจะยังโทษมิใช่คุณให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมเธอทํายังไงให้พระสมณะโคดมเนี่ยเสียหายที่สุดเนี่ยเธอจงไปทําอย่างนั้นแหละทํำยังไงดีเขาบอกว่านางจินจะามานวิกานั้นกล่าวว่าข้อนั้นไม่เป็นการหนักใจสําหรับดิฉันะโอ้ปัญหาเล็กน้อยนะจะไปยากอะไร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 เห็นคนเข้าไปปั AH ๊บออกมาพอดีทําทีเหมือนออกจากพระเชตวันวิหารถูกถามว่านอนที่ไหนจึงกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยที่ที่เรานอนแก่พวกท่านดังนี้แล้วก็หลีกไปโอ้ยถามทําไมถึงที่นอนเนอะเนาะเมื่อถึงเวลาดําเนินไปแล้วโดยลําดับนางถูกถามแล้วก็กล่าวว่าคือวันเวลามันหลายเดือนเต็มทีแล้วนะก็บอกว่าเรานอนในกุฏิในพระคันตกุฏิเดียวกับพระสมมาณโคดมแล้วก็ออกมาเนี่ยเพิ่งไปนอนกับพระพุทธเจ้ามาเหมือนั้น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 ขณะกำลังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมนภราชาเนี่ยคนเนี่ยเต็มไปหมดนางก็เลยกล่าวว่าพระสมณะผู้เจริญท่านนี่ก็มัวแต่แสดงธรรมไม่จัดแจงกระเทียมและพริกเป็นต้นเพื่อเราผู้มีคันทารกที่เกิดเพราะอาศัยท่านเนี่ยเด็กก็จะท้องคลอดวัน2องวันก็มัวแต่เทศอยู่นั่นแหละเหรานั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราเรากับท่านกับเราเท่านั้น ย่อมรู้ภาวะอันจริงแท้เรื่องนี้เรารู้กันสองคนเท่านั้นนางจินจามาวิกาก็เลยกล่าวว่าอย่างนั้นทีเดียวว่ากั้นเรากับท่านสองคนเท่านั้นย่อมรู้คราวที่เกี่ยวข้องกันด้วยเมถุนคนอื่นก็ย่อมไม่รู้โอ้ยใครจะไปรู้ด้วยเนาะเรื่องอย่างนี้ขณะนั้นบรรดุกำพลศิลาอาดของเท้าสา ก, ก, ก่าก็แสดงอาการร้อนเท้าสา ก, ก่ารำพึงอยู่ทรงรู้เหตุนั้นจึงตรัสสั่งเทพพบุตรสององค์ว่า บรรดาท่านทั้งสององหนึ่งเนรมิตรเทพเป็นหนูไปกัดเครื่องผูกท่อนไม้กลมของนางให้ขาดอีกคนหนึ่งก็ทำมนทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นพัดผ้าที่นางห่มเนี่ยให้เวิร์กขึ้นข้างบนนะครับๆ่ะลมเป่าขึ้นนะ่ะเทพบุตรทั้งสองคนนั้นก็กระทำอย่างนั้นท่อนไม้ก็ที่กลมนั้นก็ตกมาทำลายหลังเท้าของนางเนี่ยแตกท่อนไม้แต่ก็ตกใส่เท้าแตกเลย ปุถุชนทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่ในโรงธรรมสภาทั้งหมดก็พากันกล่าวว่าเฮ้ยนางโจรร้ายเจ้าได้ทำการกล่าวหาความเห็นปา่านี้แก่พระพุทธเจ้าของโลกทั้งสามผู้เห็นปา่านี้แล้วต่างลุกขึ้นทำยังไงดีลงประชาธรรมเลยกําปั้นคนละทีสองทีก็ไปตุบตับตุ บ, ตบนำออกจากที่ประชุมเมื่อนางล่วงพ้นจากทัศนะคือการเห็นของพระพุทธเจ้าพอพ้นตาพระพุทธเจ้าปั๊บ แผ่นดินก็ให้ช่องแผ่นดินแยกเลยขณะนั้นเปลวไฟจากอาเวจีนรกก็ตั้งขึ้นหุ้มหอนางเหมือนหุ้มห่อด้วยผ้ากำพลแดงที่ตระกูลให้แล้วก็ซัดลงไปในอเวจีนรกอันคนที่ตกอเวอตกนรกเนี่ยนะที่ที่แผ่นดินแยกเนี่ยนะคนหนึ่ง น, นะคือนางจินจะมานวิกาสองหลวงพ่อเทวทัตอีกคนหนึ่งเนาะแล้วก็นันทามานโนปะคนหนึ่งที่ไปข่มคืนนางอุบลวรรณเทรี แล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธพระเจ้าสุปปพุทธก็คือพ่ อ, อตาของของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีมเหตสีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนันทยักษ์นันทยักษ์กนั้นวันหนึ่งนะภาษาที่บทเนี่ยเป็นวันอุโบสถปลงผมใหม่ๆเลยนั่งเข้าสมาบัติกลางแจ้งหัวหนึ่งเลยอันี้นันทยักษ์เนี่ยเหาะผ่านมากะยักษ์อีกเพื่อนหนึ่งก็บอกว่าออนั่นสัมมณะวะ ง, งั้นฉันจะหดด้วย แบกระบองมาด้วยหอมานะจะหวดพระแล้ฉันจะตีหัวพระโอ้ยยาเพื่อนนะห้ามไม่ทันก็หวดไปปั๊บหนึ่งเข้าไปเขาบอกว่าถ้าตีภูเขาธรรมดาเนี่ยจะยุบลงไปทั้งลูกเลยแต่ว่าท่านก็แบบคล้ายๆกับมีอะไรมากัดศีรษะท่านหน่อยเพราะกำลังแห่งสมาบัตรรองรับไหมถ้าคนธรรมดาก็จุติไปเลยทีนี้ก็บอกว่าพอนันน่ะความร้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นตกลงมายังแผ่นดินปั๊บแผ่นดินก็แยกก็ ไปอเวจีเหมือนกันทั้งสองอยู่ใกล้ๆกันนะเนาะไม่เหงาเลยไปตั้งหลายคนเลยอ่ะ ท, ะ ท, ะที่ที่ร้อนรอนเนี่ยเป็นที่ตธรรมชาวนาดวงที่เจ็ดก็เป็นอุปชาแล้วก็ปฏิสนธิในเวจีเลยเพราะฉะนั้นนางก็เหมือนกันก็ตกในเวจีมหารกเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเจ้ามีลาบสการะอย่างล้นเหลือด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงครอบงําสิ่งทั้งปวงมีสาวกชื่อว่านันทะเรากล่าวตู่ภาษาวกชื่อนันทะนั้นจึงได้ท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานเหตุก็คือไปกล่าวตู่ไว้ว่าคนนี้เนี่ยมีเมียนะนก็กรรมมนั้นแหละก็ซัดมาว่ากั้นเราท่องเที่ยวไปในนรกตลอดกาลนานถึงหมื่นปี ใส่ความมันนี้นะตกหมื่นตีเองอะเนาะก็ได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับการกล่าวตู่มากมายแสดงว่ากรรมประเภทนี้ให้ผลมาแล้วหลายครั้งเพราะกรรมที่เหลือนั้นนางจินจะมานวิกาได้กล่าวตู่เราด้วยคําอันไม่เป็นจริงต่อหน้าหมู่ชนหมายความว่าเอาพระพุทธเจ้ามาประจานต่อหน้ามหาชนเลยแต่ก็พระองค์ก็รับกรรมเก่าใช่ไหมยุติธรรมไหมเจตนาในอดีตนี่ก็ให้ผลสมควรแก่กรรมละ นางจีนจะมาในวิกาก็ทำเหตุใหม่ก็ยุติธรรมเหมือ น, นกันแล้วเราถ้าเราไปคิดแช่งนางจีนจะมาในวิกานะกุศลเนืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเพราะนอย่าไปคิดต่อนะเจริญกรุณาเยอะๆอนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเขาเป็นอกุศลป้าวเราจะยินดีใช่ไหมยินดีในคนรับอกุศลไม่บากมันส่วนใหญ่ไม่ดี เราก็ต้องศึกษาไว้คนทำชั่วมากๆอกุศลกรรมให้ผลเพืเ่อเจริญต้องเจริญกรุณาเขาถ้าหากว่าอากุศลกรรมให้ผลแล้วเนี่ยมันก็น้ำตานองหน้าอย่างนั้นแหละนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะถูกคนมาฉีกหน้าขนาดนั้นจะเป็นยังไงนะเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเลยนะ เอาตกนรก ด, ดันไปตกเขาเยลยนะแปลกจริงๆนะแแต่ขอบก้คนม <า S 2> ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยศึกษาธรรมะไม่อะไรนี่นะมันมันได้รับผลของกรรมที่ไม่สมควรเลยแต่ยินดีในบาปเชิงไปพากความโง่งความเง่าไปยินเพียงแต่ยินดีเท่านั้นใช่ไหมครับจริงนยินดีก็ยังให้ผลเลยนะเดี๋ยวมีข้างหน้าอีกนะแค่ไปยินดีกับเขาก็ได้เหตุเหมือนกันเดี๋ยวเห็นว่า ทำเองให้คนอื่นเขาทำสนับสนุนคนอื่นทำเขาทำแล้วเรายินดีด้วยเขาทำแล้วยินดีด้วยอันนี้<ฮ>เป็นกรรมหมดเลยเป็นกรรมหมดเลยอ่ะศึกษานะศึกษาสัมรวมตาอกายวาจาใจาเนี่ยทวารกรรมมีสามใช่ไหมกายวาจาใจาเนี่ยสามอย่างนี่สัมรวมไม่ดีเทอะวันนี้มีสุนักอยู่ตัวหนึ่งที่รีสอร์ทนะเออเจ้าคนงานคนชื่อเจ้าต้องตา เขามารายงานว่าบัดนี้ไอสุนัขตัวนั้นน่ะมันถูกกัดที่คอเนี่ยผมให้เข้าไปพย า, พยาบาลอยู่ครับแล้วมันเป็นขี่เลื่อนพยาบาลขี่เลื่อนขี่เลื่อนหายแล้วตอนนี้มันถูกกัดผมก็บอกอา้าจ้างเขาต่อให้ไปพยาบาลไอตัวนี้ <c oughs> เขามารายงานว่าบัดนี้ได้ตาเสียแล้วนะไอสุนัขตัวนี้เราก็ไม่ค่อยชอบมันอยู่แล้วนะทั้งขี่เลื่อนทั้งอะไรเลยนะไม่ค่อยชอบมันอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็ <c oughs> มันทำความลำบากให้เรามากเลยเข้าไปนอนในห้องน้ำก็เหม็นคนงานก็มาบนแล้วก็นิ้แล้วแต่นี่นะเยอะแยะเลย <c oughs> มาอดดีใจไม่ได้เออตาชะได้ก็ดีเฮ้ยพอคิดได้อย่างนี้เอ๊ะไม่ถูกเรื่องแะแล้วนี่นะเนี่ยกลับมาคิดใหม่เออมันพอแก้ไขไปได้บ้างเนะืเพราะว่า เราได้เรียนมาแล้วนี่นะเรียกกุศลคืนได้มั่งไงอ่าเรียกทีก่กุศลนมันเป็นเก่มันนะมันหมดทุกหมดยาวประเทศนี้าตายไปเลยคือเป็นตะกอนนี่ก็เออดีใจอะจ่นนะใช่ทีนี้ว่านี่ขนาดเขาอยู่ในพบของสุนัขนะยังให้ผลขนาดนี้ถ้าจุติจากสุนัขจะไปไหนต่อเนอะอาะถามไม่ต้องตายแกดูแกดูแลมันกี่วันผมดูแลมันห้าวันครับเลยให้รางวัลไป <laughs> เออแกเอาไปเถอะเนือ ร้อยนึง